โฟไลท์ทรานสเฟอร์เฟกเตอร์พลัสราคาปกติ 7,549 บาทชุดโปรโมชั่น 5,900 บาทต้นทุนขวดละ 1,966 บาทพลัดขายดีราคาขายปลีกอยู่ที่ 2,500 บาทกำไรขวดละ534บาทขายไป3ขวดกำไร 1,662 บาทถ้า1สัปดาห์ขายได้5ชุดคุณจะมีรายได้รวม7 0 1 0บาท